ที่เป็นอกุศลเนี่ยชื่อว่าเป็นอกุศลมูลใช่หรือไม่เราก็ต้องแยกแล้วใช่ไหมจ๊ะถ้าบอกโลภะเนี่ยเป็นทั้งอกุศลเป็นทั้งอกุศลมูลโทสะนี่เป็นทั้งอกุศลและเป็นทั้งอกุศลลมูลโมหะนี่เป็นทั้งอกุศลและเป็นอกุศลมูลอะทำไมจึงเรียกว่าอกุศลเพราะเป็นธรรมที่ไม่ฉลาดแล้วก็ให้ผลเป็นโทษแต่ว่าอกุศลมูลนั้นคือเป็นตัวเหตุเป็นตัวปัจจัยเป็นมูลให้เกิด อกุศลอีกทีหนึ่งเป็นทั้งกรรมมบทเป็นทั้งมูลนะอภิชาและพยาบาทเป็นตัวกรรมมบทด้วยเป็นตัวทั้งรากเง่าของอกุศลด้วยอธิบายว่าเพราะเป็นรากเงา้าอภิชาจึงเป็นโลภะอกุศลมูลพยาบาทเป็นโทสะอกุศลมูลบทว่าอารัมมณโตปานาธิบาทมีสังขารเป็นอารมณ์เพราะมีชีวิตติมสีเป็นอารมณ์ ให้สังเกตปอนปฏิบาตในการที่ไปฆ่าเนี่ยเราจะไปฆ่าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปเนี่ยอารมณ์ของนั้นก็คือมีชีวิตใช่ไหมมีชีวิตติณซีนั่นแหละเป็นอารมณ์น่ยเขาเรียกว่ามีสังขารเป็นอารมณ์มีชีวิตติณซีเป็นอารมณ์รู้จักสังขารไหมก็คือมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสของบุคคลคนนั้นเน่ยเป็นอารมณ์นั่นแหละแล้วก็มีชีวิตติณซีไม่มุ่งหมายเอาชีวิตเป็นอารมณ์ให้สังเกตว่าอย่างยกตัวอย่าง บุคคลที่มีความคิดต้องการอยากให้คุ้นผูเนี้ตายลงไปเนี่ยแล้วก็ไปฆ่าเขาเนี่ยเพราะต้องการอะไรให้เขาวิบัติจากสังขารจากอารมณ์ต่างๆนี้ไหมคือเราไม่ต้องการเห็นสังขารอย่างนี้ไม่เห็นไม่ต้องการเห็นสีนี้ไม่ต้องการได้ยินเสียงเสียงนี้ไม่ต้องการได้กลิ่นกลิ่นอย่างๆๆนี้แล้วก็หมายเอาชีวิตของท่านผู้นั้นให้ตกล่วงลงไปนี่แหละคือเลือกอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยไปมีสัตว์และสังขารเหล่านั้นเป็นอารมณ์ก็เลยบอกว่า มีสังขารเป็นอารมณ์เพราะมีชีวิตตึมสีเป็นอารมณ์ส่วนอาทินนาทานเนี่ยนะมีสัตว์เป็นอารมณ์บ้างมีสังขารเป็นอารมณ์บ้างการที่จะรักเนี่ยบางทีก็น้อมไปเกี่ยวในเรื่องของสัตว์บางทีก็น้อมไปในเรื่องของสีกลิ่นรสสัมผัส ต, ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมความจงใจเจตนาที่จะไปรักไปแตะ ต, ต้องสิ่งนั้น มิจฉาจาระมีสังขารเป็นอารมณ์ด้วยเอมีสังขารเป็นรมด้วยอำนาจแห่งโพธพัฒมิจฉาจาระนี่คืออะไรกา ม, มีคนที่ประพฤติผิดในกามนี่ก็คือมุ่งเน้นโพธพัาสัมผัสที่ดีเน้นสัมผัสที่จะมากระทบแล้วทําให้เกิดกุศลทําให้เกิดจิตนั้นเป็นราคะเป็นต้นเยส่วนอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์ก็มีอยู่ไง ก็หมายความว่าไปมีสัตว์เป็นอารมณ์ก็มีไม่ใช่แต่เฉพาะที่ว่าจะไปกลุ่มว่าจะมีเฉพาะสัมผัสอย่างเดียวเท่านั้นมูสาวาสนั้นมีสัตว์เป็นอารมณ์บ้างมีสังขารเป็นอารมณ์บ้างการที่จะพูดเท็จเจตนาในการที่จะกล่าวเทศเนี่ยบางทีก็ไปมีสัตว์แล้วก็มีสังขารนั่นเลยเป็นอารมณ์ปีสุณาวาจาพูด ส, ส่อเสียดก็เหมือนกัน พุะธสว า, ามีสัตว์เป็นอารมณ์อย่างเดียวการพูดคำหยาบมีโดยมากจะเน้นให้บุคคลเหล่านั้นได้เจ็บใจใช่ไหมสำเพราต่ามีสัตว์เป็นอารมณ์บ้างด้วยอํานาจแห่งรูปที่เห็นแล้วเสียงที่ได้ยินแล้วกลิน่นรสและสัมผัสผลพัทธ์ที่ทราบแล้วแล้วก็ธรรมอารมณ์ที่รู้แล้วอภิชาก็เหมือนการแต่พยาบาทมีสัตว์เป็นอารมณ์อย่างเดียวส่วนมิจฉาทิฐิมีสังขารเป็นอารมณ์ด้วยอํานาจแห่งธรรมมันเป็นไปในภูมิสา เออลองพิจารณาอย่างนี้ตัวมิจฉาทิฐีเนี่ยมีอะไรเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นไปในหน้าถึงภูมิสาคนที่เห็นผิดเนี่ยมองสีก็เห็นผิดในสีความเห็นในในภูมิไหนในการภูมิรูปภูมิวิรูปภูมิเนี่ยการสร้างอัธยาศัยที่เป็นมิจฉาทิฐีเนี่ยเวลาไปเกิดในใบภูมิเขก็เห็นผิดมาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็เห็นผิดในในภูมิของมนุษย์หมดเลยแม้แต่สร้างบุญกุศลไปเกิดในเทวภูมิ ในรูปภูมิาเห็นผิดลบทว่าเวทนาโตปาณาติบาตมีเวทนาเป็นทุกข์เพราะว่าหลายทรงเห็นโจรแล้วถึงจะกระยิมอยู่พางรับสั่งว่าเอามันไปสังหารดังนี้ก็จริงแต่กันนั้นเจตนาที่เป็นตัวการให้ตกลงปลงพระทยของพระาพระราชาเหล่านั้นเป็นเจตนาที่ประกอบไปด้วยทุกข์อยู่นั้น ใหม่ๆเวลาที่จะสั่งให้คนนี้สองวันนั้นใหม่ๆบอกเอามันไปตัดหัวเนี่ยใหม่ๆเน่ยล่าเริงแต่พอจิตตรึกไปถึงไอ้ตัดชีวิตเขาให้ขาดไปเนี่ยเจตนาในการเอาสังขารและชีวิตของเขาให้หมดไปเนี่ยไอ้เจตนาตรงนั้นเนี่ยเวทนาที่เกิดขึ้นตรงนั้นต้องเป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวเวทนาที่ทําก็เป็นทุกเนียไม่ใช่จะเป็นสุขเนียไม่ต้องถึงพูดถึงเวทนาที่ของผลที่จะได้รับใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงตรงนั้น ผลที่เจรับนั้นเป็นทุกข์อยู่แน่นอนนะนั้นเจตนานั้นจึงประกอบด้วยทุกข์อย่างเดียวอาธินาทานมีเวทนาสามอธินาทานมีเวทนา3มีทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาใช่ไหมโลภะเกิดขึ้นได้เวทนา2องใช่ไหมโทสาเกิดขึ้นอีกเวทนาอีกหนึ่งเป็นโทมัสเวทนานได้เวทนาสปลักโดยโลภะโทสามัวมิจฉาจารมีเวทนาสองด้วยหนา้าทงสุขและอุเบกขา อันนี้พูดถึงในขณะที่ปลื้มใจใช่ไหมใหม่ๆนะยังไม่เป็นอุเบกขามุสาว่ามีเวทนาสสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาปิสุนาเวาจาก็เหมือนกันพรุสวาจามีเวทนาทุกขอย่างเดียวพูดคาหยาบในทุกขอย่างเดียวพูดไปแล้วยังเป็นทุกข์เลยสัมผัสปราป่ามีเวทนาทั้ง3แล้วก็ดีใจกันทุกนะคนเพื่อเพื่อเจอเนี่ยอภิชาก็คือมีเวทนาสองนะด้วยอํานาจแห่งสุขเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนา ก็คือตัวโลภะเขาได้เวทนา2 อ, อยู่แล้วมิจฉาทิฏฐิก็เหมือนกันอยู่ในกลุ่มของเวทนา2เพราะก็ประกอบในโลภะก็เลยได้สองมณัตกับอุเบกขาแต่พยาบาทมีเวทนาเป็นทุกข์อย่างเดียวประการต่อไปก็คือศึกษาในเรื่องของคําว่ามูละมูละโตมูละโตเนี่ยนะปานาธิบาตมาีมีอคุศน2 อ, อย่างเป็นมูลนะฆ่าสัตว์เนี่ยการฆ่าสัตว์การทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปนะมีอะไรนะเป็นมูล บอด้วยอํานาจของโทสะและก็โมหะเนี่ยเป็นมูลคนเราถ้าจะฆ่าเนี่ยตอนนั้นในขณะนั้นต้องโกรธ ด, ด้ไหมในขณะที่โกรธนั้นโมหามีไหมความไม่รู้ตามความเป็นจริงก็มีเฉะนั้นจึงได้มูล2ส่สวนนาทินาทานมีอกุส ร, รมูล2อ อ, อย่างเหมือนกันด้วยอํานาจของโทสะและก็โมหะ อธินาทานนะีและวด้วยอํานาจแห่งโลภะแล้วก็โมหะคือมันคนละคนละอย่างไงบางทีในระักด้วยอํานาจของโทสะซึ่งมีโมหะเป็นมูลด้วยโทสะเป็นมูลด้วยบางครั้งการรักนั้นก็ด้วยอํานาจของโลภะแล้วก็มีโมหะเป็นมูลอยู่นั่นแล้ว ได้โทสะโมหะได้แต่โลภะกับ โ, โ, โทสะสิไม่ใชค่คนละขนาะคนละขนาดแล้วถ้ากโกรธไปแล้วแล้วต่อมาก็มาดีใจอันนี้ก็อีกอย่างหรือว่าโลภแล้วกลับมาก็มาแหมไม่ได้อย่างที่ไม่ได้อย่างที่หวังแต่ในขนาดนั้นก็ล้วนแต่มีโมหะเข้าร่วมตลอดนะัน่นมูลของเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมบางทีบอก แม่ไม่ได้อกว่าแม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเนะี่ยไอคาว่าแม่นะโทรศัท์มาใอญ่ลืมนะว่าโมหามาด้วยเนะคือการไม่รู้ตามความเป็นจริงมาดเป็นมูลของบาปอกุศลนะทําไมจะไม่อยากได้ล่ะไม่ใช่หรอกบางทีมันอย่างนี้บางทีของที่เรามีอยู่เนะี่ยมันไม่พอใจหรือบางทีต้องการที่จะเอาเอาให้คนนั้นก็เสียใจอย่างนีน้ไม่ใช่ต้องการเอาก็ได้จะอย่างนั้นก็ได้จะอย่างนั้นก็เยอะแยะหมดแต่เอามาก็อามาใช้ด้วยเนะย ด้วยอำนาจของโทสะอทีนี้ด้วยอำนาจของโลพาและโมหะมุสาวาจ็ด้วยอำนาจของโทสะและก็โมหะหรือว่าโลพาหรือโมหะเหมือนกันนะก็อยู่ที่ว่าการเปล่งกาเจตนาในการกล่าวเท็ตนั้นนะ่ะมีกลุ่มไหนกลุ่มโทสะหรือกลุ่มโลพาเนะี่ยแต่โมหะก็จะวิ่งเข้าแทรกทั้งสองประการนั้นปีสนาวาจาและสัมผัสพราปะก็เหมือนกันกับมุสาวะกับพุทธสวาวะด้วยอำนาจแห่งโทสะโมหะอภิชานี่มีอกุศลอย่างเดียวนะคืออะไร ด้วยอำนาจของโมหะพยาบาทก็เหมือนกันกับอภิชาแต่มิชาทิฏฐิมีอกุศลสองอย่างเป็นมูลด้วยอำนาจแห่งโลภะและก็โมหะอกุศุลธรรมที่ชื่อว่าโลภะเพราะอยากได้ชื่อว่าโทสะเพราะปัททุสลายชื่อว่าโมหะเพราะหลง อ, อกุสุลธรรมนะถ้าถามว่าที่ชื่อโลภะที่ชื่อว่าโลภะนั่นเพราะอะไรเพราะอยากได้ไอสภาวะของความอยากได้นี่แหละก็ เ, เรียกโลภะที่ชื่อว่าโลภะเนี่เพราะอะไรสภาพที่คือการอยากได้นั่นเอง และที่ชื่อว่าโทสะก็เพราะปัททุสลายที่ชื่อว่าโมหะก็เพราะว่าหลงทีนี้ในจํานวนอกุศลทั้ง3อย่างนั้นโลภะชื่อว่าเป็นอกุศลลมูลเพราะตัวมันเองเป็นทั้งอกุศลเพราะอาจจะว่ามีโทษและมีทุกข์เป็นวิบากโลภะนี่มีโทษไหมตัวเขาเองเกิดขึ้นมามีโทษวิบากของเขาผลของเขาก็คือเป็นความทุกข์เดี๋ยวจะบอกว่าเขาจะให้ผลเป็นทุกข์อย่างไร เป็นทั้งรากเงาของอกุศลธรรมเหล่านั้นมีปานาติบาเป็นต้นเพราะอา จ, จว่าเป็นสภาพแห่งสัมยุญ ธ, ธรรมของอคุศลและเพราะอา จ, จะว่าเป็นอุปนิสยปัจจัยของอกุศลธรรมรังอย่างสมจริงดังที่ท่านพระสาริบุตรได้ ได้กล่าวว่าคุณผู้กำนัดมากแล้วถูกราคะครอบงำแล้วมีจิตถูกราคะรึงรัดแล้วเนี่ยย่อมฆ่าสัตว์มีชีวิตได้ดังนี้เป็นตน้นคือคนบางคนเนี่ยเมื่อถูกอกุศลและทำกลุ่มของโลภะครอบงำรึงรัดแล้วเนี่ยมีไหมที่จะไม่ฆ่า อยังยกตัวอย่างเช่นว่าพระโมคคัลลานะในดิตชาตินะที่เลี้ยงแม่ตาบอดต่อมาไม่ก็พ่อแม่ก็บอกว่าเออลูกเ อ, อ้ยลูกอยู่กับแม่ตาพ่อแม่ตาบอดอย่างเงี้ยลูกอยู่อายุก็มากแล้ว ลูกควรจะมีภรรยาเธอด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีผู้เป็นลูกก็ยังไม่อยากจะมีเนี่ยไปๆมาๆก็คือว่ารบเล้าไม่ได้ก็เลยต้องตามใจคุณพ่อคุณแม่แต่ทีนี้พอได้มียมาแล้วเนี่ยเมียก็ไม่ชอบใจพ่อแม่ที่ตาบอดใช่ไหมพอไม่ชอบใจพ่อแม่ทิตาบอดไปๆมาๆก็เลยเมียก็เลยยุว่าโอ้ไม่ไหวจริงๆบ่นบ้างทําอะไรต่างๆก็ตกระปกรกรุงรังเนี่ย บนหนักเข้านักเข้าตําหนิมากขึ้นแล้วก็เป็นคนไม่ดีด้วยเชื่อมีอะไรไหยอันนี้โลภะเนี่ยมันลึงลับยิตใจนในที่สุดจริงๆก็อาแม่เดินเองไปฆ่าเงี้ยอาแม่เดินเองไปทุบเนี่ยอันนี้เพราะอะไรโลภะครอบงําแล้วฆ่าสัตว์ก็ได้คําว่าฆ่าสัตว์ก็ได้เนี่ยสูงสุดเลยก็ยคือฆ่าพ่อแม่ก็ได้แล้วดูที่ในพระโมคคัลลานะขนาดมาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายแล้วยังโดนทุบมีโลภะและโทสะนั่นแหละโลภะนี่เป็นอะไร เป็นอุปนิสยาปจจัยไม่ใช่เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นอุปนิสยปัจจัยไม่ใช่เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นเหตุเนี่ยเป็นเหตุในเป็นเหตุนานนานมาเขาเรียกอุปนิสยาปจจัยคือเป็นปัจจัยที่มีกําลังเนะอย่าลืมนะงั้นมันถึ้งบอกพูดถึงในเรื่องของอกุศลเนี่ยเขาเป็นอุปนิสยาปจัยกันได้งั้นถ้าศ like like ึกษาตรงนี้มาดีเนี่ยก็จะเริ่มมองออกว่ามันน่ากลัว น่ากลัวหมดแหละกลุ่มก็อกนะุศลเนี่ยแต่เราคิดว่าพวกเราเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่กับเขาได้โดยที่นิดที่เขาจะไม่เจริญเติบโตที่ไม่เจริญเติบโตเขบอกเราคอนโทนมันคอนโทนได้ที่สุดจริงๆเดี๋ยวโรครามเยอะร่างกายอ่อนแอเมื่อไหร่มันก็ขึ้นสภาพร่างกายอ่อนแอเมื่อไหร่เนี่ยโรคภัยก็เข้าจิตใจสติปัญญาขาดการเพราะบม่มเมื่อไรที่สุดจริงๆความคิดฝ่ชั่วทั้งหลายก็จะขึ้นมามีกําลัง มันเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่เคยคิดที่จะล่าเขาแบบเด็ดขาดะมีเจิตถูกราค่าลึงลัดแล้วค่าสัตว์มีชีวิตก็ได้ดังนี้เป็นต้นแม้ในการที่โทสัยและโมหะเป็นอกุศลมูลก็มีในทํานองนี้เหมือนกัน ตรงนี้เวลาจะศึกษาทําความเข้าใจตรงนี้นะต้องไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของคําว่าอุปนิสยาปัจจัยเนี่ยเหมือนอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าปาณาติบาตเป็นเหตุให้เป็นเหตุเป็นปัใจจัยเกิดอธินาทานได้ถ้าพูดถึงในด้านของอุปนิสยาปจัยนะปานาธิบาตเป็นปัใจจัยให้ทําอธินาทานกามเมศมิชาจารย์มุสาวาตปิสุนาวาจาโพุสววาจาสัมผาปราปะอภิชาพยาบาทแล้วก็มิฉาทิฐิมาเลย ล้วนแต่เป็นอุปนิสยปัจจัยหมดเลยคือมันจะวนกันเป็นลูกโซ่เลยบางครั้งสิ่งที่ดีๆยังสามารถเป็นอุปนิสยปัจจัยให้กับสิ่งชั่วได้เลยไปเห็นยองงามพีก็ทำดีแล้วคนนั้นก็ทำดีเวสเ็ตเนี่ยยอมสรีก็ทำดีม ถ้เาเขาดีกันหมดเนเราชั่วซะเลยบุญกุศลของบุคคลอื่นยังเป็นปจัจจัยแสดงค่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเทศต่อเสียดทำหยาบและเพ้อเจ้อก็ได้ใช่หไหมเพราะอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์หรือว่าเห็นสัตว์สังขารผู้นั้นเนี่ยเราก็เลยตรึกไปอีกเรื่องหนึ่งไปเลยอย่างนี้เขาเรียกอุปนิสัยปัจจัยนี่เป็นอย่างนั้นท่านเพื่อพูดถึงในเรื่องของอุปนิสัยปัจจัยแล้วเป็นไปได้มากมายจริงๆริงเล ก็กให้เข้าใจอย่างนั้นทีนี้ในเรื่องของผลของอกุศลกรรมบทผลของอกุศลกรรมบทเนี่ยนะในเรื่องของปุพพะเจตนาเจตนาที่เกิดก่อนกระทํามุญจัดเจตนาเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะกระทําอภร้เจตนาเนี่ยเจตนาที่เกิดขึ้นเมื่อกระทําแล้วเนี่ยและอย่างหนึ่งก็คือว่ายากจนด้อยทรัพย์ก็ยากจนนี่คนละอย่างกันนะยากจนนี่คือมันมันจนมาแล้วก็ประการต่อมาคือไม่มีจะกินใช่ไหม บางกลุ่มยากจนก็จริงก็จนแด่งเงินแด่ทองแด่อาหารการกินก็ดีอยู่ใช่ไหมแต่ประเภทอดอยากก็อีกเหมเสียหายเลยทั้งนี้ในกลุ่มนี้จะกินอะไรก็เมรแล้วก็ไม่ได้สิ่งที่ตนเองปรารถนาไม่ได้สิ่งที่ตนเองปรารถนาเช่นถ้าปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้เนี่ยเคยไหมเคยบ่อยไหมที่ปรารถนาอะไรแล้วไม่ค่อยอยากจะสมหวังเนี่ยให้รู้เลยนะว่านั่ น, น, นคือโทษของอะไรโทษของอาทินาตานิทานแล้วก็ไม่ได้สิ่งที่ตนเองปรารถนาพินาศในการค้าขายในการทำมา หากินในการประกอบอาชีพการงานทำการค้าทีไรนี่ทำไปทำมาเนี่ยกำไรได้ไหมอุศสกรรมนี่จะตามใช่ไคือพยายามทำสุดตัวเลยนะแต่ก็พินาศในการค้าบางทีก็ร้านค้าเสียหายคนอยู่ในร้านค้าคนในปกครองลักขโมยอยู่างเี้ยมันจะเป็นมันไปต่างๆพินาศเพราะภัยพิบัติต่างๆพวกไหนบ้างได้มาแล้วเจออักคีภัยบ้างเจออุทกภัยราชภัยโจรภัย วาา่าจะไพ่เป็นอู้สรารพัดเลยนะต้องเจอภัยต่างๆมาเร่นงานจนได้ลนะเพราะว่าเป็นผู้ที่ทํากรรมเจตนาในการทําอธินนาทานมามากอย่างนี้ก็ตรวจสอบในชีวิตที่เราเคยเห็นแม้แต่ตัวเราได้ใช่ไหมสามารถตรวจสอบได้ไหมนั่นแหละคือโทษของอธินาทานในอดีตเวลาตามไม่ผลก็ทําชีวิตทําให้ตนเองต้องเจ็บปวดถ้าผลของกามเมสมิชฉาจาร์ะมีผู้เกลียดชังมากพวกอุ้พฤติผลน่าเกิดมาเป็นถ้าส่งผลนะคนเขาเกลียดชังมากมีคนเขาปอง ร้ายด้วยขัดสนซัพย์ด้วยเนะ่ยพราไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนใช่ไหมเขาไม่มีเวลาจะทํามาหากินครอบครัวเขาแตกแยกนี้เป็นต้นนะนแล้วก็อดอยากยากจนแล้วลที่แน่นอนก็คือว่าเกิดเป็นหญิงคนที่เกิดเป็นหญิงมลต้องรู้เลยนะว่าในอดีตนั้นตัวเองเคยผี่พ่อนี้มาแล้วก็เป็นกระเทยเป็นชายก็เป็นผู้ชายในตระกูลต่ําได้รับความอับอายเปน็นอาชินนะ่ย เดี๋ยก็ได้รับความอับอายเรื่องนั้นอับอายในเรื่องนี้อยู่เรื่อยไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงนะร่างกายไม่ค่อยสมประกอบมากไปได้วยความวิตกกังวลให้สังเกตตัว เ, เธอเกิดมาเป็นคนนอนก็ยากหลับก็ยากอะไรต่างๆให้รู้เลยนะว่านั้นเป็นโทษของอะไรกาเมสยมิชฉาจารในอดีตพลาดพลาดจากสิ่งที่ตนรักนี่โหประการสําคัญอยู่ตรงนี้เพราะเราไปทําสิ่งที่เขารักให้เสียหายในที่สุดจริงๆก็คือตอนเองก็ต้องมาพลาดพลาดจากสิ่งที่ตนเองรักคือเกี่ยวในเรื่องของ ในเรื่องของการกระทําผิดนะมันก็ต้องมันก็ต้องผิดเขาเน้นเรื่องเดียวสุนัขก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วก็มไม่ต้องกล่าวเรื่องสุนัขที่เราจะเชั่อหรว่มีวันหนทีนี้ผลของไม่มีข้อกังขาในเรื่องตรงนี้เนะี่ยเอาเรื่องอะไรประการต่อมาคือผลของมูสาวาา ผลของมูสาว่าคือการพูดเทสเนี่ยถ้าในประวัติการให้สังเกตได้ก็คือพูดไม่ชัดคำพูดเนี่ยจะพูดไม่ชัดน่อัอากขละคำพูดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะไม่ค่อยชัดเจนหรอกแล้วก็ฟันไม่เรียบปากก็มีกลิ่นไอตัวก็ร้อนจัดตาก็ไม่อยู่ในระดับปกติ่าง สภาพของตาไม่ปกติเพราะคนพูดเท็จนี่เลยั้ยตาเล็กน้อยตาอะไรต่างๆเราเนี้ยระการต่ อ, อมาคือกาวาจาด้วยปลายลิ้นแล้วก็ปลายปากคำพูดที่พูดออกมาเนี่ยลิ้นของบุคคลที่ที่ทำกรรมเกี่ยวอของมูสาวาดมาเนี่ยลักษณะลิ้นลิ้นจะใหญ่ที่โคนลิ้นจะใหญห่เวลาจะพูดก็คือ แค่ได้แค่ปลายลิ้นแค่นั้นเองจะไม่สามารถงอลิ้นได้พันลิ้นได้สะดวกยนี้นี่จะเป็นอย่างนั้นโทษของมุสาว่าท้าทางก็ไม่สง่าไม่สง่าผ่าเผยดูเป็นคนเขาเรียกกระจอกเป็นคนลักษณะไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่เด่นไม่เด่นในสังคมไม่เด่นเด่นในที่ต่างๆอยนีจิตใจก็รวนเละรวนเลคล้ายคนวิกลจริตเอาหรือไม่เอาอะลรเพราะเป็นคนพูดจริงไม่จริงมาเยอะผลของปิสุนาวาจาเนี่ยปิสุณาวาจา คือการกล่าวซ่อเสียดซ่อเสียดก็คือตําหนิตนเองเป็นคนมักจะตําหนิตนเองอยู่นั่นแหละคือมีเรื่องที่จะต้องให้ตําหนิให้ว่าตนเองอยู่เรื่อยว่างั้ น, นมักถูกกล่าวหาโดยเรื่องไม่จริงแล้วไปที่ไหนก็มักจะถูกกล่าวหาให้สังเกตโดยเดาเรื่องไม่จริงที่โผล่ขึ้นมาเรื่อยตอนเองก็ตามแก้ไปเห้อเนี่ยก็ให้รู้ทันทีนะว่าโทษของปีศาวนวาจาที่เคยทํากันไว้เนี่ยแล้วก็ถูกบัณฑิตติเตียนเสมอทําถูกเข้าก็ติอะไรต่างๆหละเนี่ยหรือว่าบางทีเขาจะตําหนิติเตียนตลอดแต่ กามิสหายง่ายมาครอบกับใครไม่กี่วันเดือดแตกกันได้อีกแล้วอย่างเงี้ยนี่โทษของปิสุณาวาจาส่วนผลของพุทธวาจาก็คือในกลุ่มที่ว่าพิ่นาฏในทรัพย์มีทรัพย์สมบัติก็หมดแล้วก็ได้ยินเสียงเกิดจากความไม่พอใจเสียงที่ได้ยินเนี่ยนะโดยมากก็สร้างเหตุด้วยพอใจอยู่เลยอย่างนี้มันโทษของพุทวาจาคือเราเคยตะโกนคำหยาหยาบมาเยอะเนเในกลุ่มของว่าพูดเสียงดังพูดคำหยาบอะไรต่างๆเราเนี้ยมักจะด่าทอคนอื่นอยู่ เ, เ, เวลาจะต้องการสถานภาพอีกอย่างหนึ่งก็ได้ยินเสียงอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็ให้กำหนดลงสู่กรรมและผลของกรรม มีกายวาจาหยาบผลในปัจจุบันก็คือมักเป็นคนทําอะไรก็ทำลวกๆวกหยาบหยาทางกายกรรมนะแล้วก็วาจาก็หยาบคําพูดอะไรต่างๆเพราะมันเคยติดมาเป็นอุปนิสัยใช่ไหมก็เลยกลายเป็นบุคคลชอบพูดหยาบถ้าพูดแบบวาจาเพราะๆ เ, เนี่ยคือดูเหมือนว่าคนอื่นจะไม่ค่อยเข้าใจเราถ้าพูดหยาบหยาบรู้สึกถึงใจและถูกใจด้วยนะเนี่ยตายตายด้วยการหลงไหลด้วยในะในกลนุ่มนี้ถ้าโทษของถ้าโทษของสัมผัสพระปาปาก็คือว่าผลของ สัมผปลาปากกล่มพูดเพ้อเจอ้อก็คือเป็นอธรรมวาสกับบุคคลหมายความว่าวาจาที่พูดเนี่ยมีแต่พูดไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะเลยนี่ผลของสัมผัสปลาป า, าเพราะเป็นอุปนิสัยมาแต่อดีตนะฉะนั้นพอในปัจจุบันกลายเป็นคนจะพูดธรรมะก็พูดไม่เป็นนะจะพูดเรื่องอะไรก็ต้องไรสาระหมดเลยวะก็เนี้ยถ้าเรื่องเชอชั่วเนี่พูดได้ดีจริงๆเรื่องเชอชั่วเนี่ยโอ้ยคนนั้นเป็นอย่า ง, งานั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อะไรต่างๆเลยนะมันชั่วเหลือเกินวะกนะ็เนี้ยไอเขาบอกมันชั่วเหลือ มีอะไรตามมาในโทษะก็ตามมา กิเลสก็ตามมาเนี่ยบองแม้มันไม่น่าทำได้นะ่าอะไรเงี้ยนี่เขาเรียกว่าผลของสัมผัปปราปกลุ่มของเพ้อเจอร์ญเนี่ยนะกาพูดเกี่ยวในเรื่องของศีลคาถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุตติกถาวิมุตติญาณทัศนกถาเนี่ยคือคําพูดที่ที่เป็นไปในด้านของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตมติญ า, นานณทัศนะคําพูดในกล่าวในเรื่องของสุตตะเคยยะเวยากรณอุทานคาถาอิติวุตกะอภูตธรรมเวทั ล, ละเนี่ยเกี่ยวในเรื่องของว่าไตรปิฎกพรานิพระ ในบิดกนี้พระสุตตันตบิดดกนี้พระวิษมบิดดกนะเนี่ยมีในส่วนของพระวินัยวุทเจ้าตรัสไว้ด้วยพระมหากรุณาที่คุณนะเนี่ยส่วนในด้านของพระสูตรพระพุทธเจ้าตรัสด้วยพระกรุณาคุณพระปัญญาคุณพระวิษมบิดดกตัสด้วยพระปัญญาคุณเป็นต้นก็ไม่ไม่ได้ตรึกไม่ได้น้อมหรือไม่ได้น้อมที่จะฟังเรื่องตรงนี้แล้วก็ไม่มีผู้ เลื่มใสในคําพูดของตนในตรงเนี้นะไอ้ที่พูดกันให้เกิดอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าจะมีคนเลื่อมใสคําพูดอะไรนะพูดจบแล้วจบเลยนะนะแล้วก็ไม่มีอำนาจผลในปัจจุบันก็คือเป็นคนมีอานาจน้อยแล้วประการที่4น่ากลัวมากผลของสัมภาสราป่านะฉะนั้นถ้าจะกล่าวเพื่อเจอมอะไรยมรีต้องนึกคาไหนหรู้ไหมผลก็คือถ้าในประวัติการคือเป็นคนที่วิกฤลลติตนั่นแหละก็คือผลที่ของเขาสมบูรณ์แบบของเขาคือว่าที่สุดของผลยัง ดีแล้วนะนี่หมายถึงไม่ตกนรกแล้วนะที่สุดจริงๆจะกลายเป็นคนวิกฤจริตก็ให้นึกอย่างนี้เสียจะได้กลัวกรรมผลของอภิชาอภิชานี่คือความเพ่งเพ่งเฉพาะในพันธะในทรัพย์ของบุนคคลอื่นเป็นต้นเนี่ยนะอยากได้นั่นเองเสื่อมในทรัพย์และคุณความดีดูสิเนาะโทษแค่เราไปเพ่งเล็งอยากได้นะทำให้เราเสื่อมทรัพย์ด้วยนะแล้วก็คุณความดีก็ไม่ค่อยอยากจะมีประเภทที่บางคนนึกยังไงด้วยไหมทำดีแทบตายเขาไม่เห็นคุณเคยปลารบบ่อยๆในกลุ่ม เราเนี่ยทาดีแทบตายแต่ทําไมเขาไม่เห็นคุณของเราเก็คือโทษของตอนนี้ถ้าเห็นมีใครพูดคำนี้มาก็ว่าก็คุณทํา อ, อภิชามามากมั้งกรรมอภิชานี่คุณทํามามากหรือเปล่าสอกจะอธิบายอภิชัยเขาฟังว่าหมายถึงอะไรโลภเนี่ยโลภอยากได้ของเขามาแล้วก็